มีใคถามอะไรค่ะโดยปกติแล้วการเข้ากรรมฐานแต่และที่วิปัสสนาอาจารย์จะให้อารมณ์กรรมฐานแก่ผู้ที่ปฏิบัติดังนั้นก็มีนักศึกษาอยากจะขอให้พระอาจารย์ช่วยให้ให้คําแนะนําว่า เ, ออเราเราจะควรทําอย่างไรในการที่จะเลือกอารมณ์กรรมฐานหรือพระอาจารย์มีแง่มุมใดๆที่ที่เห็นสมควรรอนคืออย่างนี้ว่า ในเรื่องกรรมฐานเนี่ยในชั้นคําสอนของพระเจ้านเนี่ท่านจะกล่าวอย่างนี้นะกล่าวว่าเมื่อเราศึกษาถ้าศึกษาพุทธคุณธรรมคุณสังขคุณแต่และอย่างนี้เขาเรียกพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสตินี่แล้วก็เทวตานุสติอุปสมานุสติมรณ า, านุสติจารานุสติอะไรก็แล้วแต่นี่เนี่ หรือศึกษาสติปัฏฐานสัมมาปัฏานอรลสติปัฏฐานสี่นกายานุปัสสนาเวทนาจิตที่ธรรมานุปัสสนาศึกษาเข้าใจทีนี้นักศึกษาเนี่ยหรือว่าผู้ประพฤติธปฏิบัติเนี่ยเด่นชัดในอารมณ์ใดให้ครูบาอาจารย์สรุปประเด็นกรรมฐานหมดนั้นให้เลยครูบาอาจารย์ก็จะแนะนำดนีแต่แต่อาจารย์ไม่ควรไปบอก กำหนดกรรมฐานให้กับผู้ปฏิบัติเพราะเพราะไปล็อกเป้ากรรมฐานเขาซึ่งอัธยาศัยของแต่ละบุคคลที่สั่งสมมาไม่เหมือนกันคนที่เป็นอาจารย์สอนพระธรรมทั้งหลายถ้าไปกำหนดกรรมฐานให้เขาแล้วกลายเป็นการรู้ดีกว่าพระพุทธเจ้าอันนี้อันตรายมาก อาจารย์ทั้งหลายไม่คว ร, ไ ม, ควรไม่ควรไปกําหนดหรือไปบล็อกคําสอนคำประทานหรือไปสรุปเอาเองฉะนั้นถ้าบอกว่าศึกษาพุทธคุณเบ็เสร็จอย่างนี้เจริญกันได้ทุกคนไม่เจริญได้ถ้ามาคุณเจริญนะนั้นบรรดาอนุสตินี่เจริญได้เลยเห็นไหมบอกอื้ออัจฉยาสาย่ยขาพรเจร้านี่เจริญนี้แข็งแรงมากครูบาอาจารย์ก็แนะนําำประทานนั่นเลยหรือจะบอกไปให้เจริญอย่างนี้ก็ได้ พอมเป็นไปตามคําสอนไม่ไม่แปลกหรือเช่นเอาเจริญอาณาบรรณเนี่ยบอกได้เลยแต่ต้องบอกเป็นตามคําสอนนะอย่าไปอย่าไปโยกนะยกก็อย่างเช่นจะให้เดินเจริญอานาบรรณาก็เจริญเล ย, ยนี่นะแต่ไม่ใช่ว่าเอาเอาสิ่งที่เป็นอาณาบรรณาครึ่งหนึ่งเอาอย่างหนึ่งมามาผสมประสานครึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็กลายเป็นไปปรุงแต่งพระธรรมของภาษาสดาหรือบางคราวไปเอาการรมฐานสองอย่างเนี่ยใส่ไว้ในกรรมฐานเดียวกัน ไม่รู้จะดูลมหรือดูคุณของพระเจ้าเงี้ยเนียก็เลยสลับกันเนี้ยฉะนั้นกรณีเห่งการที่ว่าถ้าคนมีข้อมูลคำสอนแล้วไม่อยาก<ม>ฉะนั้นมาถึงพยายามให้ข้อมูลก่อนว่าตอนนี้ที่เอามาจะขับเน้นคราวนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของอนุสติมีพุทธานุสติเป็นต้นเนี้ยนงแม้แต่การการที่จะเน้นเรื่องทานเน้นเรื่องศีล เน้นเรื่องเมตตาทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ามาเดินได้หมดเลยทำไมว่าทไมออกมาไม่เน้นเรื่องการเจริญสติปัฏฐานเลยโดยตรงที่ว่าเป็นหลักกายานุปัสสนาเวทนาจิตตาและธรรมาทำไมไม่เน้นอย่างนี้นอนทอไมไม่เน้นถามว่าสติปัฏฐานออกมาบรรยายไว้ไหมบรรยายไว้เยอะมั้ตามฟังได้เลยแต่ามาที่ว่าเวลาจำกัดอย่างนี้ามาบอกว่า พุทธคุณก็เป็นสติปัฏฐานธรรมคุณก็เป็นสติปัฏฐานสังฆคุณเป็นต้นก็เป็นสติปัฏฐานอยู่แล้วแต่อยากให้ชาวพุทธเนี่ยขับเน้นให้เข้าใจมุมนี้เพื่อเชื่อมโยงลงในสติปัฏฐานนั่นเงจะได้ชัดเจนขึ้นทีนี้ประเด็นก็คือบอกว่านี้แล้วแล้วการให้อารมณ์กรรมฐานเนี่ยถ้าเรากําหนดลงไปได้ไหมก็ต้องบอกว่าได้แต่เพียงว่ากําหนดตามคําสอนนะ แต่เมื่อกำหนดไปแล้วนักศึกษาหรือว่าผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยบอกเอ็ดเดินตรงนี้ไม่ไม่เข้ายกตัวอย่างเช่นถ้าจะเจริญพุทธานุสติต้องมีความรู้เข้าใจในคนของพระพุทธเจ้าไหมรู้หรือไม่รู้ต้องรู้นั้นะทุกเรื่องต้องเข้าใจสมมุตินะว่าเอาโยมพูดภาษาเนี่ยมาไม่มีข้อมูลในคำสอนเลย ท่านช่วยสอนการกำหนดให้ใ ห, ให้ให้ผมโน่นแล้วจะสอนอยังไงโดยจำนวนก็คือว่าไม่เคยเรียนวิชากฎหมายมาเลยแล้วก็ไม่ได้สอบเนติก็ไม่ได้อายการก็ไม่ได้เป็นแต่อยากเป็นผู้พิพากษาจะทำยังไงไม่มีทางจะให้ยังไง ไม่มีข้อมูลงั้นก็ให้ข้อมูลก็ก่อนว่า อ, อยากเป็นได้แต่เอาข้อมูล อ, อย่างนี้ได้ข้อมูลเสร็จก็เดินตามเดินตามนี้ใครควรตาได้ไหมยอย่างนี้อย่างนี้ได้แต่บอกว่าไม่มีข้อมูลเลยแต่วันนี้ต้องการมานั่งหลับตาเพื่อจะปฏิบัติคิดว่าจะเป็นไปได้ไหมคิดว่าจะเป็นไปได้ไหมฝันกลางวันหรืกลางคืนฝันกลางวันเป็นไปไม่ได้จริงๆฉะนั้นไม่มีการบรรลูใด ท, ที่ที่ปราศจากข้อมูล บางทีไปยกเรื่องพระพระจักขูปาละพระจักขูปาละเนี่ยบอกว่าจะเดินเดินสุขวะสะาวิปัสสกาท่านไม่เรียนแต่ถ้าถามบอกว่าพระจักขูปาละได้ยอยู่กับพระศาสดาห้าปีทรงปฏิโมกสองทั้งพิคูปปฏิโมกและพิคุณี ป, ปฏิโมกยุ่งไหมนี่ไง คือท่านชนานาญในคําสอนแต่ท่านไม่เน้นสอนคนอื่นมากเท่าไหร่ท่านต้องการขัดเกลาตัวเองและท่านก็บรรู้แดงยิงด้วยอย่างเงี้ยไม่ใช่อยู่ๆไม่ได้ข้อมูลเ้ามาจับไม่ใช่ทีนี้เอาจะยกตัวอย่างเอาแล้วพระพายยะทารุจริยะไม่เรียนเลยฟังทำใช่ไหมดูก่อนพายยะเมื่อเห็นจับเป็นศักว่าเห็นเมื่อได้ยินจับเป็นสักว่ายินเมื่อทราบจับ เป็นศาตร์ก็ทราบเมื่อรู้แจ้งจกเป็นศาก็รู้แจ้งหม้วที่ก็แป ล, แปลคําว่ามัมตตสัพจากประมาณว่าเห็นจากประมาณว่าได้ยินจากประมาณว่าทราบจากประมาณว่ารู้แจ้งฟังฟังสี่ห้าประโยคเหล่านี้บรรลุบวกนี้ไงต้องการอยากจะเป็นอย่างภาัยยะฟังทำแล้วบรรลุเอาไปดูประวัติท่านสร้างบา ร, รมีมาแสนขับ แล้วเกิดยุคพระพุทธเจ้าเรายังฟังไม่เข้าใจเลยนะทิศทิศเถ ท, ท, ทิธรรมตางพวิสติเนี่ยไม่เห็นจากเป็นศักว่าเห็นไม่รู้เห็นอะไรก็ไม่รู้เราจะจ ะ, จะล้วจะทำยังไงตอนนี้หรืออย่างภาษารีบุตรเนี่ยสร้างบา ร, รมีมาเท่าไหร่หนึ่งอางไข ย, ยิ่งด้วยแสนกับตั้งแต่พระโนมาัศีสามมาสัมพุทธเจ้าก่อนหน้านั้นด้วย ตอนเจอพระโน ม, ทสสมาทศีสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้สมาบัติแปดได้พิญยาหา้าเหาะมามีบริวารห้าร้อยแล้วมาถือฉัดเป็นกั้นเป็นดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าเจ็ดวันเอาละสิตอนนี้ยนั่นเนี่ยก็นั่นหนึ่งปาฏถนาแล้วดูแต่ละท่านสิท่านฟังเยธรรมาเหตุปับพวาวเตสังเหตุุงตถาคโตอาหา เตยสัญจาโยนิโรโทจ่าเอวังวาทีเหมือนสมโนฟังปุ๊บทำเราได้มีเหตุเป็นแดนเกิดพัฒนาโคตเจ้ากล่าวทึงเหตุและความดับเหตุแห่งธรรมเราเนี่ยพัฒนามีปกติตราสอย่างนี้ว่าไงไม่รู้เลยเรายังไม่รู้เลยอะไรรู้เหตุอะไรรู้ผลยังไม่ใช่ทําเราได้เก <bleeding. S 1> ิดแต่เหตุอะไรละเกิดแต่เหตุพัฒนาโคตเจ้ากล่าวทึงเหตุและความดับเหตุแห่งธรรมเ่านั้นอะไรยังแยกไว้ออกเลยใช่ไหม เนี่ยแล้วแล้วเป็นแบบเนี้ยอย่งนี้บ่งบอกถึงว่าปัญญาท่านทะลุทะลวงอย่างยิ่งเพราะอดีตเหตุดีฉะนั้นอย่ายกคนที่ที่บา ร, รมีสูงสูงมาเทียบกับพวกเราพ่าเราไม่ใช่ท่านเหมือนนั้นอย่างเราเนี่ยในยุคปัจจุบันก็เหลือแค่สองปทัททะประมากันในยะอุคติตัญญูวิปปิตันยูเรียบร้อยหมดแล้วก็ไปหมดแล้ว ถ้ารู้อย่างนี้ชัดเลยแต่เนี้ยต้องเกี่ยวกับเรื่องศึกษาฟังทำความเข้าใจขัดเกลาอยู่ใกล้ครคูบาอาจารย์เดินศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่สเปสป่าเลยนะชีวิตเนี่ยวันนี้อยู่สำนักนี้วันนี้อยู่สำนไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยต้องอยู่สำนักพระเจ้าอย่างเดียวเดินะ ต, ตามคําสอนอันไหนไม่ใช่คัดออกคัดออกแล้วตอนนี้คัดได้ไหมเนี่ยยังแยกยากเลยบางทียังแยกยากเลย นี่เป็นอย่างนี้ไม่รู้ตอบปัญหาตรงประเด็นหรือเปล่ามั้งตรงไหมตรงใช่ไหมหมดหรือยังตอนนี้ก็คือขับเน้นเรื่องศีลที่เราสมาทานไว้แล้วแล้วก็สาริยธรรมแล้วก็จะขับเน้นทานแล้วก็ขับเน้นเมตตาขับเน้นสระภาระเกี่ยวเรื่องของพุทธคุณธรรมคุณจรรคุณเราจะขับเน้นคือต้องการอยากให้เราฝึกขัดขัดกล้าวกันได้จริงจนี่นะ อ่ะเดอุทิศ ส, ส่วนกุศลเนานะหมดเวลาแล้วเนาะอะ่เปิดไปหน้าที่สองหกสี่ได้นะปุญญาสิธานิคตาสานานยานิคตานิเมแต่สันจะภาคิโนโหนตุสตานัน ต, ต, า, น า, นตาพามานกา สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้แห่ง บ, บุญที่ได้กไก่อนแล้วยพิยาคุณาวันตาจะไม่หังมาตาพิตาได้โย เทธาเมจาประยัดทาวอัญเยมาจตเวริโนคือจะเป็นสั์เราได้ซึ่งเป็นที่ราใคา่และมีบุญคุณเช่นมานดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดี ชาติเราอื่นซึ่งเป็นกลางกลางหรือเป็นกูนเวนกันก็ดีสาธเตตันติโลกะสมิงเตภุมมาจัตุโยนิกาปัญเจกาจัตุโวการาสังธรันตาบวาภเวชาทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสาม สามเนือทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันคำรังต้องเที่ยวอยู่ในพบน้อยใหญ่ก็ดียาตาเยปฏิทานามมอนุโมทันตุเตสยังเยจีมังนาปะานันติเทวาเตสังทยุง่ง สัต์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจองอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัต์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนแห่งนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดนั้นให้รู้ด้วย มายาทินนาณปุญญานงอนุโมทนาเหตุนาสาเพสาตาสะทาวุตุอเวลาสุขาชีวินโนเขมาปทานจะปะปอนตุเตสาสาสิจจะตังสุพาพอเหที่ได้อนุโมทนาที่ข้าพเจ้าแผงให้แล้วทัดทั้งหลายทั้งปวง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 นี่อธิษฐานส่วนบุญที่ทำมาวันนี้ทั้งหมดนะนตั้งใจจิตให้ดีๆเนี่ยนะอย่าอธิษฐานด้วย จ, จิตง่วงเหงาเศร้าซึมถีนามิทะเด็ดขาดเนเดี๋ยวกลายเป็นปัญญาผสมราคาโทสัโมหะเนะอ่ยตั้งใจบุญใดที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้เพราะบุญนั้นและการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น ขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งรอกุตละธรมก้าในทันทีถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้อาภาพอยู่ยังต้องท่องเที่ยวไปในวัตสงสารขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดในประเทศอันสมควรได้ครอบกายานามิตรได้ฟังพระสัจธรรมได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม และไม่เข้าถึงฐานะแห่งความอาภัพสิบแปดอย่างข้าพระเจ้าพึงเว้นจากเวรทั้งห้าพึงยินดีในการรักษาศีลไม่ก่อกเกี่ยวในกามคุณทั้งห้าพึงเว้นจากเปลือกตมกาวคือกาขอให้ข้าพระเจ้าพึงประกอบด้วยทิทฐ่ชั่วพึงประกรอบด้วยทิฏิที่ดีงาไม่พึงครบมิชั่วพึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ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 ต่อไปเราจะต้องมาอยู่ร่วมกันในการปฏิบัติร่วมกันนะก็ขอให้บุญกุศลที่เราตั้งใจดีปรารถนาหลีน้อมจิตที่ดีเหล่าเนี้ยบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากทานศีลภาวนาที่เราจาบับบมเพนร่วมกันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยก็ข อ, ขอให้น้อมบุญกุศลเหล่านี้ยจงเป็นปัจจัยโดยเฉพาะก็คือบวกด้วยคุณของภาษาสดาพระธรรมและพระสงฆ์ จงเป็นปัจจัยเกื่องหนุนให้เราท่านทั้งหลายจงสามารถขับเน้นทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาให้เดินในกระแสของชีวิตของเราจนสามารถออกจากบาปอคุณแลธรรมลาโมกคืออกุศลทุจริตสิบอกุศลกรรมบว10ิบแล้วก็ไปชุมลงในกุศลกรรมบวชสิบได้คือ การที่งดเว้นจากกายทุจริตสามวจีทุจริตสีแล้วก็มโนทุจริตสามน้อมเข้าหากายสุจริตสามวจีสุจริตสีมโนสุจริตสามสามารถประชุมศีลสมาธิปัญญาลงในสุจริตเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถประชุมศีลสมาธิปัญญาได้ในอุปจารลสมาธิออกจากธรรมที่เป็นปฏิปปของสมาธิแปดประการได้และ ถ้าใครมีบุญมากก็ขอให้ประชุมศีลสมาธิปัญญาได้ในอัปนาสมาธิและวิปัสนาญาณทุกระดับจนเป็นปัจจัยแกการแทงตลอดอายมักอาเรยผลมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ในสุดจริงให้เข้าถึงอนุปาทาพรินิพพานในการดับวัฏจุทุกโดยไม่มีส่วนเหลือโดยทั่วกันทุกท่านทุกประการเืิน